เจรินสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายในหมวดที่เกนะ้าในหมวดที่เก้าเกี่ยวกับเรื่องมัละคือมณฑินเก้าอย่างนะมะละคือมณฑินเก้าอย่างคือหนึ่งความโกรธนะสองความรบหลูบุนคนท่าน สามนิสยานสี่ความตนมีห้ามายาหกานับอวดเจ็ดพูดปดแปดมีความจารถนาลางนกเก้าเห็นผิดทั้งเก้าอย่างนี้ถือว่าเป็นมลทินคำว่าม เ, าเป็นมลละคือเป็นมลทินเป็นความเศร้าหมองแห่งใจเป็นกิเลสอยู่ในใจนะ เ, เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็เหมือนกับไา้เสื้อผ้าที่มันมันเปื้อน ไอสิ่งที่ต้วนนั้นถือว่าเป็นมลทินฉะนั้นเราก็ต้องใช้เซปใช้สบู่กําจัดให้มันออกไปหรือเหมือนกับว่าบ้านช่องห้องหอของเรานั้นมันมีฝุ่นมีหยักเยื่อหยักใยจับมันก็ไม่สวยไม่งามอันนั้นแล้มันเป็นมลทินฉะนั้นเราก็ต้องงั่นขยันในการอกวาดถูหรือว่าในการกําจัดหยักเยื่อหยักใยให้มันหมดไปนะในเรื่องจิตใจของคนเราเหมือนกันนะ ละเก้าอย่างหรือมนเทมเก้าอย่างทั้งที่ได้ว่าว่ามีความโกรธมีการลบหลู่บนคุณตั้นมีการเลือดยามีความตนหนีมีมารยาสาธัยมักพูดโอวดมักพูดปดมีความปรารถนาอลามกมีความเห็นผิดอย่างนี้แหละถือว่าเป็นกิเลสที่ไปนอนเนื่องอยู่ในจิตใจทําให้เรานั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความริ่มโดนทําให้เกิดกิเลสเกิดตำหาเกิดความทยานอยากอันเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ซึ่งโทษซึ่งเวรซึ่งภัยต่างๆนานาต่างๆนานา เป็นต้นว่าจริงที่ทำบุคคลเราให้เศร้าหมองทั้งภายในภายนอกนั้นก็เพราะว่าเมื่อมีกิเลสทาเหล่านั้นอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกิดขึ้นแล้วดวงจิตดวงใจของเราที่พ่องแผ้วพี่พองแผ้วก็กลายขุนมัวเหมือนกับน้ำที่ขุ่นข้ น, นยกตัวอย่างยกตัวอย่างเพียงข้อหนึ่งคนที่มีความปรารถนาแรงเพื่อเห็น หมายถึงว่าเพื่อให้เห็นอย่างอย่างกล้องออันใสบริสุทธิ์สามารถที่จะส่องวัตถุอะไรๆเห็นได้ทั้งสิน้นแม้อยู่ไกลและเล็กนะแต่ถ้ามีฝ้าหรือว่ามีมุนทิมอย่างใดยอย่างหนึ่งเอเข้ามาจับที่หน้ากล้องเสร็จแล้วก็หาเห็นไม่แล้วอุปมาข้อนี้ฉันไหนจิตใจก็มีอุปมาฉันนั้นจิตที่พองใสนั้นอาจจะคิดผิดนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ติดขัด ย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงไม่ติดขัดย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงแม้จะมีความปรารถนาเกิดขึ้นความปรารถนานั้นย่อมเป็นไปโดยไม่ถูกทำนองคลองทำรู้จักเลือกว่าสิ่งใดควรปรารถนาสิ่งใดไม่ควรปรารถนารู้จักยับยัง้งว่าความปรารถนานั้นเป็นสุจริตหรือว่าเป็นทุจริตไม่เห็นแต่เข้าใจได้ว่านี่เป็นลักษณะของจิตที่อผุดพองใน ความเมื่อมีความปรารถนาเกิดขึ้นถ้าจิตนั้นยังความปรารถนาลามมุกครอบงำแล้วแน่นอนที่สุดก็ย่อมจะทําให้จิตใจเศร้าหมองนะเป็นไปเพื่อทุกเป็นไปเพื่อทั่วเป็นไปเพื่อการทําลายนะเป็นไปเพื่อการทําลายผิดจากทํานอ ง, องความทำไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วนะไม่รู้จักดีจักทั่วอันนี้มันก็เป็นอาสวะกิเลสก็จะยกตัวอย่างง่า ย, ายๆทีละข้อยังเช่นว่าความโกรธนะไอะ้ความโกรธนี่มันเป็นเสนิมอยู่ในใจนะความโกรธให้คนโกรธเนี่ยสังเกตดูสิ คือคนใจน้อยนะคนใจน้อยผิดนิดผิดหน่อยก็แสดงอาการมกโมโหโกรธาน ะ, สะแสดงอาการมกโมโหโกรธาไม่พอใจนะไม่พอใจอันนี้แหละมันบั่นทอนจิตใจของคนเราบั่นทอนยังไงคือความโกรธนั้นพระพุทธองค์ท่านเสียบว่ามันเหมือนกับไฟนะมันเหมือนกับไฟไฟถ้ามันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ไหมที่นั่นนะมันติดขึ้นที่ไหนมันก็ทําลายที่นั่นนะอันความโกรธก็เหมือนกัน ถ้ามันเกิดขึ้นในใจของคนใดก็ทําจิตใจของผู้นั้นให้ร้อนให้กระวนกระวายนะให้ร้อนให้กระวนกระวายมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องความโกรธนี้ถ้าหากว่าเราทุกคนรู้จกักละรู้จักวางก็จะสุขมากนะก็จะสุขมากยิ่งว่าไปกว่านั้นความโกรธพอเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เห็นอัดไม่เห็นทำเขาบอกว่าเมื่อเวลาความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกับน้ําที่กําลังเดือด ไอ้น้ำที่กำลังเดือดพล่านเนี่ยเอาอะไรใส่ลงไปในกาหรือในหม้อเทวต้มนั้นมันมองไม่เห็นไม่เห็นว่าเป็นเป็นวัตถุอะไรเราเอาเหรียญใส่ไปมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญบาทเตียนห้เอาของอะไรใส่ไปก็มองไม่เห็นนะก็คือคนเวลาโกรดนั้นไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนะไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเมื่อไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วก็ทําอะไรไปามอํานาจของความโกรธนะ การทำอะไรตามอำนาจของความโกรธนั่นแหละก็คือการที่ เ, เราทำสิ่งที่เป็นมลทินแก่ตัวเองนะแล้วก็อาจจะทำให้เป็นมลทินแก่ผู้อื่นอีกด้วยเนะช่นว่ามีการาทะเละวิวาทกันมีการทุบตีกันมีการประหัดประหารกันจนถึงกับเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันนี้แหละมันเป็นมลทินอยู่ในใจนะเพียงแต่นึกโกรธคนเดียวมันก็เป็นทุกอยู่แล้วนะอันนี้เราจะต้องนึกให้มากนะเราจะต้องคิดให้มาก ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราไม่ชอบความโกรธนะไอ้ความโกรธนี่มันเหมือนกับคูณแล้วมันเหมือนกับไฟไฟมันเป็นของร้อนนะมันเป็นของร้อนเมื่อเรารู้ว่าไฟมันร้อนเราเราไปหยิบถือมามันก็ไหมมือเราเราจะหยิบทําไมเราต้องวางนะเราต้องละออกไปความโกรธก็เหมือนกันเวลาเราโกรธมาเราก็ต้องคิดเท่าทันว่าเราโกรธทําไมนะโกรธแล้วมันมันสบายใจหรือ ว, ว่ามันทุกข์ใจนะมันทุกข์ใจทุกข์ใจแล้วเราโกรธทําไม เราต้องการความสงบไม่ใช่เหรอะฉะนั้นเราก็ต้องไม่โกรธนะแต่ว่าจะอยู่ยังไม่โกรธเลยไม่ได้นะมันจะต้องมีเหตุนะเหตุที่ต้องรู้เหตุของความโกรธซะก่อนนะไอ้ปฏิฆะหรืออารติเนี่ยความไม่ยินดีความไม่พอใจความกระทบกระทั่งอันนี้แหละมันเป็นหบอกเกิดแห่งความโกรธนะเป็นบอกเกิดแห่งความโกรธฉะนั้นเราจะต้องละออกไปก็คือด้วยมีความคันติและเมตตา ตัวคันติและเมตตาด้วยคือศีลนะด้วยการรักษาศีลอันนี้ก็จะช่วยดังนับความโกรธได้นะคนที่มีเมตตานี่ก็ช่วยดังนับความโกรธได้คนที่มีความอดทนก็ช่วยดังนับความโกรธได้นะใครมันดา่าเร า, เร า, า, เ, ราเราก็ไม่ด่าตอบใครทีเราเราก็ไม่ตีตอบใครรักของเราเราก็ไม่รักตอบใครประหัตประหานเราก็ไม่ประหัตประหารตอบอย่างนี้ก็สบายใจแต่ว่าคนเรามันมีอยู่อย่างว่าใครทําอะไรเรามันต้องทําตอบ การไม่ทําต่อกันนั้นความรู้สึกว่าเหมือนว่าตัวเองนั้นไม่เก่งนะเหมือนว่าไม่เก่งคนเรานั้นมันอยากอวดเก่งอยากอวดดีอยากอวดเด่นนะไอการอวดดีอวดเด่นนั่นก็มักจะต้องพิน้าทุกรายนะพิน้าทุกรายวาดไว้ทุกรายอโทรไฟเพาทุกรายอ่าฉะนั้นเราจะต้องไม่อวดดีไม่อวดเด่นต้องไม่อวดเก่งนะการไม่อวดเก่งนั่นแหละคือลดเวรภัยทุกสิ่งทุกอย่างได้นะลดเวรภัยทุกสิ่งทุกอย่างได้ ฉะนั้นขอให้เราทุกคนก็คือเป็นคนใจเย็นนะหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนอดทนนึกเสมอว่าเวรจะไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ว่าเวรย่อมระงับ ด, ด้วยการไม่จองเวรไม่จองล้างไม่จองผลาญกันให้อภัยกันนะให้อภัยกันดีที่สุดเลยนะแล้วก็เราก็จะมีแต่ความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเราก็เป็นสุขเขาก็เป็นสุขเราก็ไม่มีเวรภัยเขาก็ไม่มีเวรภัยถ้าเกิดการมีการจองล้างจองผลาญกันแน่นอนที่สุดก็จะ ชักน้าขึ้นมาเป็นหมู่เป็นคณะเป็นพักเป็นพวกก็อาจจะเป็นครอบครัวขึ้นมาปรหัตประหารกันโดยที่ว่าผู้นั้นไม่รู้อิโนอินเอก็พลอยต้องเดือดร้อนไปด้วยฉะนั้นน้ําที่ไหนเย็นปลาก็ชอบอยู่อาศัยต้นไม้ที่ไหนร่มเย็นฝูงวิหกนกกาก็ชอบอยู่อาศัยคนเราเหมือนกันถ้าจิตใจเยีกเกลียนใครก็อยากเข้ามาพึ่งพาอาศัยใครก็อยากเข้ามาสมาคมใครก็อยากเข้ามาเป็นพวกเป็นพ้องเป็นมิตรเป็นสหายฉะนั้นขอให้เราเป็นคนใจเย็นก็คือมีขันติความอดทนแล้วก็มีเมตตาความปรารถนาดี ปรารถนารักใคร่ปรารถนาใหเขามีความสุขกายสุขใจก็จะกําจัดตัวความโรกรธกําจัดตัวมลทินในข้อที่หนได้ในข้อที่สองก็คือตัวลบหลูคุณท่านนะไอ้ตัวลบหลูคุณท่านนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญคนเรานี้บางครั้งก็ไม่รู้จักคุณของท่านไอ้คนที่ไม่รู้จักคุณคนเน่ะคือคนอักตันอยู่คนอักตันอยู่ก็คือคนชั่วนะคือคนชั่วไอ้คนชั่วแล้วไม่มีใครปรารถนานะไม่มีใครปรารถนา เพราะอะไรเพราะคนชั่วเป็นคนไม่ดีคนชั่วเป็นคนไม่ดีดูมินท่านมีเขาเรียกว่าคนมีมักขะมักขะคือลบโลคุณท่านไอการลบโลคุณท่านเนี่ยเขาเรียกว่าคือไม่รู้จักผู้มีพระคุณลําไม่รู้จักผู้มีพระคุณอทั้งที่ตัวเองเคยอาศัยต้นไม้ชายคา นะเคยได้ชื่อเสียงเคยได้ลาบได้ยศได้สุขสนเสริมมาจากผู้นั้นแต่ว่ากลับมามีทิฐิมานณะกลับมามีมักขะมีการลบหลูบ่บญคุนท่านเอาท่านไปนินทาว่าร้ายในเรื่องเสียเสียหายหายนะในเรื่องเสียเสียหายนี่แหละเขาเรียกว่าคนอักตันอยู่คนอักตันอยูนะ่เนี่ยไม่มีแตกไม่มีความสุขเป็นคนหูเมาเป็นคนมีทิฐิเป็นคนมีมานณะเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนถือตัวนะพวกนี้ก็ ไม่มีใครอยากสมาคมไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมนะเพราะอะไรก็ขนาดผู้มีพระคุณเขายังเอาไปติดจิตนินทาได้แต่จะเปวยกล่าวไปยายเถื่นกับพวกเราแล้วนะยังไม่มีบุญคุณเขาจะไม่นินทาย่อมจะไม่มีนะฉะนั้นพระพุทธองค์จะบอกว่าเครื่องหมายของคนดีก็คือความอากตัญญูหรือความอากตัญญูนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของคนดีคนอกตัญญูก็คือ เป็นเครื่องหมายของคนชั่วนะคนกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนอกตัญญูก็คือเครื่องหมายของคนชั่วฉะนั้นการที่เราเป็นคนชั่วก็เพราะเป็นคนอกตัญญูเป็นคนลบหลู่คุณท่านะเอาผู้มีพระคุณไปติชิท น, นินทาเอาผู้มีพระคุณไปว่าร้ายต่างๆนานาเสียดสี ut, ให้ผู้อื่นได้รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีเป็นคนมียุติธรรมด้วยการ เยียบผู้อื่นยกย่องตัวเองนะอย่างนี้ไม่ถูกไม่ควรอันนี้ถือว่าเป็นมนทินอยู่ที่ใจวิธีแก้ก็คือว่าใครมีบุญคุณแก่เราเราก็ต้องนึกถึงพระคุณอนนั้นที่เราได้อยู่ดีกินดีมาก็เพราะผู้นั้นเราก็ต้องหาโอกาสตอบแทนเราเคยได้ลาบได้ยศได้ชื่อเสียงเราเคยได้รับความช่วยเหลือเกือ้อกูลเราก็ต้องหาโอกาสตอบแทนบุญท่านงนั้นจึงมีคาที่ทน นักปราชญ์เขียนไว้ว่าอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสค า, าจะเมเปตาหนังทักทินังทัต ท, ทาปกเเพกะตมนุสรังซึ่งเราเมื่อมาหัว น, นึกนึกถึงว่าผู้นี้ได้เคยให้สิ่งนั้นแก่เราได้เคยเราทำสิ่งนี้แก่เราช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เราไปเคยเป็นเพื่อนอะไรแก่เรานะเราก็ควรจะกระทําตอบแท น, นะควรจะกระทําตอบแทนหาโอกาสทําคุณตอบแทนการตอบแทนนั้นก็อาจตอบแทนด้วยสิ่งของบางก็ได้สิ่งของเช่นจะเป็นอาหาร เสื้อผ้าพาภรณ์ตอนสบายอยู่การรักษาโรคหรือของฝันอะไรต่างๆน า, นานาที่เราเห็นว่ามันสมควรแก่ตัวเขาแก่ตัวครอบครัวของเขาผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้หรือ ว, ว่าเราตอบแทนด้วยการเข้าไปช่วยเหลือในกิจการงานของท่านนะไปรับใช้ท่านนะเมื่อท่านไม่กิจจาเป็นก็รับใช้ท่านนะแล้วก็ไปที่ไหนก็พยายามสันเสริมคนงามความดีของท่านอันนี้แหละจะได้ชื่อว่า เรานั้นเป็นคนดีนะ่ารู้จักบุญคุณคนนะ่ะไม่ลบหลูบ่บน ค, คนถ้าเราลบหลูบ่บนคุณคนก็แน่นอนที่สุดนั่นแหละคือเป็นมลทินความเสื่อมหมองแห่งใจแต่เรายกย่องท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ก, ก็เราก็เท่ากับว่าชำระมลทินนั้นได้นะนี่ก็เป็นข้อที่สองมาในข้อที่สามก็คือตัวริษยาตัวริษยามภาษาบา ล, ลีภาษาพระว่าอิศาคือความลิษยาในคนริสยาก็คือว่าไม่อยากเห็นใครได้ดีไปกว่าตัว เห็นใครได้ดีแล้วรู้สึกว่าเดือดรอ้อนรู้สึกว่ามันมากระทบกระทแ่งแห่งใจทําให้ตัวเองนี้ต้องด้อยลงไปต้องมีคุณงามความนี้ต้องลดถอยลงไปมียศก็เหมืนว่ามันต่ําลงไปนี่คือคนที่มีความอิจฉานิ่สยายอยู่ในใจแทนที่ว่าจะยินดีกับเขาว่าอขอแสดงความดีใจด้วยนะที่เขาได้อความดีได้เลื่อนอยศได้เลื่อนตําแหน่งเงินดาวเงินเดือนขึ้นหรือว่าได้ลาบได้ยศได้สุขต่างๆแทนที่จะยินดีกับเขาเปล่า ไปดิสหยาเขาหรอไปว่าร้ายเขาต่างๆนานาอย่างนี้แหละถือว่าเราเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนไม่ดีคนที่ชอบดิสหยาเขานี่เขาบอกว่าผู้นี้ก็คือเกิดชาติใดแสนใดก็เอมีจะเกิดในตระกูลต่ําไม่มีโอกาสเกิดในตระกูลสูงเพราะอะไรเพราะเราไปตัดคุณงามความดีของเขาเราไปตัดคุณงามความดีของเขาเขาจะขึ้นสูงเราก็คอยตัดเขาเลยเขาจะไปสูงเราก็ไปสกัดกั้นเขาไว้นี่แหละคือ จะทําให้ตัวเองต่ําลงต่ําลงเพราะเราไปคิดว่าการที่เขาได้ดีนั้นนเขาได้มาด้วยการประจบซอบคล้ด้วยการติดทิ้งบนนู้ดโดยกัารรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือบางทีก็ว่าเพราะตัวเองเขาจึงได้ดนะีนี่เขาเรียกว่าคนประเภทนี้เป็นประเภทที่ร้อนตัวเห็นใครดีไม่ได้ไม่อยากให้ใครดีเกินหน้าตัวเองเป็นคนเลสยาการแก้ในเรื่องเลสยาก็คือว่าต้องมองคนในแง่ดี ยินดีในเมื่อเขาได้ดีก็คือมุทิตานั่นเองเมื่อเรายินดีในเมื่อเขาได้ดีก็จะกําจัดไอ้มลพินข้อนี้ให้หมดไปจากจิตใจของเราได้นะจากจิตใจของเราได้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายมาในข้อที่สี่ก็คือความตันหนีนะความตันหนีมัจฉริยะแปลว่าความตันหนีที่เราพูดว่าอคนนี้มีความตันหนีทีเหนียวนะอ่ามีมัจฉริยะ ที่จริงคนถ้าเกิดประหยัดและดีคนที่รู้จักประหยัดมัธยัสถ์นี่ดีแต่ว่าความตหน่นี่ไม่ดีความตเน่ยนี่หมายถึงว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนห่วงลาบนะห่วงลาบหวงที่อยู่อาศัยหวงความรู้ห่วงของกินของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าคนที่มีความตหน่คนที่มีความตเน่นี่ก็คือว่าไม่อยากให้ใ ห, ให้ทรัพย์สมบัติที่ตัวเมย์นั้นต้องสูญหายไปนะ ฉะนั้นบางครั้งตัวเองนี่ต้องยอมอดอดอยากๆนะยอมลาบากนะยอมลำบากเพื่อต้องการจะให้ทรัพย์ตัวเองนั้นอยู่กับตนมากๆนะอยู่กับตนมากๆบางครั้งขอประทานโทษบางคนไม่หวงหมดเลยแม้กระทั่งตระกูลว่าตระกูลของเราอย่างนี้นะมีชื่อเสียงอย่างนี้อคนที่จะมาสู่ขอเรางาร่วมสกุลใช้สกุลของเราจะมาเป็นลูกเอ๋ยลูกสะพายเรานั้นจะต้องมีสกุลใหญ่สกุลโตและมีสกุลเดียวกันนะ อันนี้สมัยก่อนสมัยพุท ธ, ธกาลนั้นถือมากนะจึงมีการแบ่งชั้นวันละกันน่ะนี่แหละเป็นคนที่อจะมีวันละจะมีตระกูลจะมีที่อยู่จะมีลาบจะมีความรู้นี่แหละจึงเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนนะเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนไม่ยอมให้อ่าตระกูลของตัวเองนั้นไปสมสู่กับตระกูลที่ต่ำหรือตระกูลที่สูงจนเกินไปอะไรอย่างนี้ดังนี้มันไม่ถูกไม่ควรหรือบางครั้งก็อจะมีวันละว่าวันละของตนมีลักษณะอย่างนี้อ่า หรือผิวพันธ์งีลักษณะาขาวอย่างนี้จะไปนั่นกับคนดำไม่ได้ไปแต่งกับพวกนี้โก่พวกอะไรคนผิวดาไม่ได้ไหนคนผิวดาที่ก็เป็นคนนี้่าก็มีนะไอคนที่ผิวขาวร่างกายขาวแนะจิตใจอาจจะนําก็ได้คนที่ร่างกายําจิตใจขาวก็มีนะเขาเรียกว่านําแต่นอกในแพ้วพองเนื้อนมักคุณนะไอขาวแต่นอกแต่ข้างในนั้นมันไม่แพ้วมันก็อย่างว่าแหละมันไม่พองเนื้อนมตักคุณนะฉะนั้นจึงบอกว่าไอการตัณฑ์อย่างนี้มันก็ไม่ถูกหรือตัณฑ์ลาบหัวงลาบ นได้รับมาแล้วก็เก็บสะสมไม่ยอมแบ่งปันให้กับผู้อื่นนี่แหละคือคนเห็นแก่ตัวคนที่ขดล้มฝังตัวเองะคนไม่ไม่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นทุกข์ของส่วนรวมคนประเภทนี้อยู่ที่ไหนก็เดือดร้อน<ม>อยู่ที่ไหนสังคมก็รังเกียจไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาฉะนั้นคนพวกนี้จะไม่ค่อยมีญาติบริวารไม่มีบริวารยิ่งไปกว่านั้นก็บางครั้งก็หวงที่อยู่ะหวงที่อยู่ใครจะมาอยู่ต่างต่ที่มีที่ก็ไม่ยอม ไม่ยอมตัวเองอยากจะอยู่ทั้งๆที่ว่าตัวเองก็อยู่ไม่หมดนะอยู่ที่นิดๆหน่อยๆนะแต่ตัวเองก็หวงไว้แหมรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเนี่ห้องกว้างเป็นสิบสิบวาบางทีนะหรืออยู่ในกุฏิหลังใหญ่อยู่บ้านหลังใหญ่ใครจะมาพักผ้าอาศัายก็ไม่ได้นี่แหละคือคนหวงที่อยู่นะคนหวงที่อยู่ยิ่งไปกว่านั้นก็หวงความรู้นะจะให้ความรู้กับใครก็กลัวเขาจะรู้เท่าทันตนหรือกลัวเขาจะรู้มากกว่าตนก็ให้ให้นิดๆหน่อยๆยังเปิดบังอัมพรางหรือว่าไม่ให้ เขารู้จริง อ, อันนี้มันก็มีทโทษผิดโทษอีกเหมือนกันฉะนั้นอันนี้แหละมันเป็นมลทินเป็นความเศร้าหมองแห่งใจคนเราฉะนั้นเราจะต้องไม่จะหนีทีเนียวก็คือเป็นคนไม่หวงลาบนะเป็นคนให้ปันเป็นคนไม่จะหนีวันนะาเป็นคนไม่จะหนีตระกูลนะอะไรที่มันพอเงาะพอควรที่ให้เราเอาคุณธรรมเป็นใหญ่นะเอาคุณงามความดีเป็นใหญ่คนเรานั้นจะดีจะชั่วนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปแรื่อนงะนะไม่ได้อยู่ที่โคตรตระกูล ในยู่ที่ชาติแต่หากเพื่ออยู่ที่การประพฤติคุณงามความดีเท่านั้นนะอการกระทําท่านั้นเป็นเครื่องบอกว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีไม่ใช่ว่าตระกูลนี้ดีวันณะ น, นี้ไม่ดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแล้วก็เราก็ต้องไม่ตีความรู้ก็คือเป็นคนบอกศิลปะวิทยาต่างๆโตยไม่ปิดบังอำพรางเมื่อเขาได้รับความรู้จากเราไปแน่นอนที่สุดก็ทําให้เขาเกิดความแสงสว่างไอแสงสว่างที่เขาได้จากเราไปนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาแล้วก็ผู้อื่นอีกมาก เหมือนกับแสงประจันท์พระอาทิตินี้เมื่อส่องสว่างเขาแล้วก็เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนและสัตว์โดยทั่วๆไปนะฉะนั้นคนที่ให้สติปัญญาเขาแน่นอนที่สุดก็คือให้แสงสว่างให้ความกระจ่างแจ้งในใจนะเป็นเครื่องสว่างสวัยในการที่จะประกอบอธุรกิจต่างๆในการดํารงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นะฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเราต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวต้องเป็นคนเสียสละนะอย่างนี้ก็จะกาจัดความสนี่อันเป็นมลทินอยู่ในใจให้หมดไปได้ มาในข้อที่ห้าก็คือตัวมายาในตัวมายานี่ก็คือว่าในมายาของคนเรานี่คนเราทุกคนมักจะมีมายานะเราบ้างบางทีจะพูดว่ า, ม า, า, ามายาสาไถนะที่จริงไอ้มายาสาไถเนี่ยมันคนละคำไอ้มายานี่หมายถึงว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์นะเป็นคนเจ้าเล่ห์นีเรียกว่า มีเลขคนต่างๆคนไม่ค่อยรู้ว่าจะเอายังไงยังไงพูดจ้าก็มาอยู่กับด้องกับร้อนมีความประพฤติทอทําให้คนดูยากนะสมาคมยากนะมีแลขมีเหลี่ยมมากนะเอารับเอาเปรียบมีชัดมีเชิญหลายแง่หลายมุมนะคนพวกนี้มีมัญญาเอพวกมีมัญญาอย่างนี้ทําให้คนนั้นไม่มีความมั่นใจในการที่จะคบค้าสมาคม น, นะไม่มีความมั่นใจในการที่จะคบค้าสมาคมอันนี้แหละก็เป็นเหตุอันหนึ่งเป็นมังคนแห่งใจ ะเป็นมณฑินแห่งใจดังนั้นการวิธีที่จะกำจัดมณฑินแห่งใจในพ้อนี้ก็คือว่าเราต้องไม่เป็นคนเจ้าเล่ห์ไม่เป็นคนหล่อแหละไม่เป็นคนเลวไห ล, ลพูดคำสินใดก็เอก็ให้ได้จริงอย่างที่เราได้พูดได้กระทำํำรับปากไว้กับใครก็พยายามทําให้รับปากก็พยายามทําให้ได้ดังที่ปากพูดปากรับทําไปนั้นอัง น, นี้ก็จะสร้างหรือว่าลบล้างตัวมณฑินอนันให้หมดไปได้ก็จะทําให้คน เกิดความเคารพเกิดความนับถือและอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้เป็นหบวกเกิดแห่งความสุขเป็นหมวกเกิดแห่งความเจริญเป็นบวกเกิดแห่งความก้าวหน้าของกันและกันและเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วยดังนั้นคนที่มีมารยาคือคนที่มีการหลอกลวงเจ้าเล่ห์ต่างๆนานาะอ้างเล่ห์ในต่างๆนานาะอันนี้จนะทําให้เขาต้องสูญเสียประโยชน์หรือบางครั้งก็ต้องเสียเืินเสียตัวแต่ก็ต้องในสุดก็คือเสียชีวิตก็ได้ เพรา้เราจะต้องไม่มีมารยาสาไัยซึ่งกันและกันนะเรียก ว, ว่าเมื่อเราไม่มีมารยาสาไทยไม่มีการเจ้าเล่เน้นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทุกคนก็ให้ความเคารพน้เถือแกเรามีความยังเกรงแกเราก็เป็นการคำจัดมนมเต็นความเศ้าหมองมีเป็นข้อที่ห้ามาในข้อที่หกก็คือตัวโอ้อวดสักเถ น, นะแต่ว่าตัวโอ้อวดนะคนเราทุกทุกคนนั้น ก็มักจะอวดตัวดีนะมักจะอวดตัวดีหรือว่าสาเถยะตัวนี้แหละสติเนะตัวเนี้ยแต่ว่าโอ้อวดคนเรามักจะเข้าข้างตัวเองอวดตัวเองนะอวดญาติตัวเองอวดพี่น้องตัวเองอวดเพื่อนตัวเองแต่ว่าการอ้อวดนั้นมันต้องอวดให้มีเหตุมีผลนะอวดให้มีคุณมีธรรมนะให้มีศีลมีธรรมการอวดที่มันนอกเิธีนอกร้อยแน่นอนที่สุดอันนั้นมันเป็นการทําให้ความต้องเห็นแล้วก็ดูมัน มันไม่น่ารักไม่น่าเคารพไม่น่าเริ่มใสอันอันจะเป็นว่าเกิดแห่งนำทุกทุกทษภัยมานะสู่ตัวเองแล้วก็สู่เพื่อนพื่อนบริวารของตัวเองดังนั้นเขาจึงบอกว่าให้เราทุกคนนั้นจงเอาดีอวดกันแต่ว่าอย่าอวดดีนะเรามีดีอะไรเอามาอวดกันเอามาเปิดเผยกันเอามาบอกกันนะแต่ว่าอย่าถึงอวดดีไอ้คนอวดดีนะมันอยู่ไม่นานนะมันก็หมดดีหรือไอ้คนที่อวดดีเพราะมันไม่มีดีจะอวด นะไอ้คนที่ชอบอวดดีเพราะไม่มีดีจะอวดก็เหมือนกับลูกโป่งไอ้ลูกโป่งนั้นมันทองโูแล้วก็มันลอยทำตัวเองมันสูงเหมือนกันแต่เพราะมันแตกแล้วมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ลมเฉยเฉยไอ้คนอวดดีมันกันทาวางท่าวางกล้ามนะเรียกว่าวางมารตเนี่ยที่เราพูดกันน ะ, ะพวกนี้บางทีคนไม่มีตีคนไม่มีความรู้มักจะโอ้อวดนะมักจะโ อ, อ้อวดว่าตัวเอง ไม่รวยก็มันจะทําเป็นรวยไม่มีความรู้ก็มันจะทําเป็นตัวมีความรู้นะอ น, นี่หรือว่าไม่สวยก็มันจะทําให้สวยนใะนอันนี้แหละมันเข้าในลักษณะกับคำกรที่ว่าควายควยผอมฤตีพีสตรีไม่มีฐานะคนจนแต่งกายยีนี่อีกอันทั้งสี่พันดูเห็นไม่เป็นงามนี่ก็หมายถึงว่า ไอ้ควายลองถ้ามันมันไปผอมไปแล้วก็หมดท่าหมดราคานะไอ้ฤาษีก็หมายถึงนักทรสักมวดถ้าถามว่าทํามันไปอ้วนไปแล้วก็แสดงว่าไม่มีความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความเพียดข้านกินกินนอนนอนแล้วจะได้อ้วนอ่าคนจนแต่งกายดีนี่อ่าใคนจนนี่ชอบแต่งตัวชอบอวดนะชอบอวดวัามั่งอวดนี้นะอวดมั่งอวดนี้ไอ้คนจนก็ชอบอยู่ชอบกินดีๆนะกินเกินฐานะตัวเองอ่อย่างนี้เลยก็เรียกว่าตัวโอ้อวด ตัวอ้วนอวทีนี้ก็หรือว่าคนสุภาพสตรีนี่ทุกคนที่อยากสวยอยากงามนะอยากสวยอยากงามฉันจะบอกว่าสตรีไม่มีฐันเอี้คนจนแต่งกายเย็นี่อีกอันทั้งสี่พันดูเห็นไม่เป็นงามนะไม่เป็นงามถ้าจะให้งามนั้นต้องบอกว่าควายพีระศรีผอมสตรีมีฐันคนจนแต่งกายเย็นี่อีกอันอคนจนไม่แต่งกายีนี่อีกอันทั้งสี่พันดูเห็นแล้วเป็นงาม นี่ก็หมายความว่าคนเราทําอะไรตามฐานะของตนนะตามฐานะของตนตอนมีก็ก็ประพฤติปฏิบัติให้สมกับฐานะของตนนะไอคนรวยก็ไปกินซ อ, อตอนนันมีทีเดียวมากเกินไปมันก็ไม่เหมาะสมกับฐานะอย่างที่บอกว่าบางคนนี่ร่ำรวยเนี่ยมีลูก อ, อสามคนพ่อแม่ด้วยเป็นห้าคนปรากฏว่ากินเงินึนก็ประท้วงตัวอย่างนี้นก็เกินไปนะเกินไป แล้ยกวไม่สมกับฐานะนะฉะนั้นเราก็ต้องทําอะไรให้มันเหมาะสมกับฐานะนะไอ้ควายเราถ้ามันอ้นวนมันก็เป็นประโยชน์ในการทํำไร่ทํานาทำสวนหรือว่าลากเวียนหลกักแอะทุกสิ่งต่างๆนานาได้นะพระเหมือนกันกนะพระมันต้องต้องไม่อ้วนเกินไปแล้วก็ไม่ผอมจนเกินไปอนะแสดงว่าเป็นเดินทางสายกลางบําเพ็ญเพียรสมณธรรมก็อยากให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและแก่ผู้อื่นได้นะนะสังเกตดูสิฉะนั้นคนเราจะบอกว่าชอบเป็นคนที่อวดบางคนไม่มีความรู้ ก็อวดต้องมีความรู้คุยสารพัดเลยแต่ที่พูดมานั้นคนรู้เขาฟังออกว่าคนนี้มีความรู้หรือไม่มีความรู้ฉลาดจะไม่มีฉลาดนะฉะนั้นไอ้คนรู้มักไม่คุยนะไอ้คนคุยมักไม่รู้นะี่นะคนรู้มักไม่คุยคนคุยมักไม่รู้อ่าฉะนั้นอันนี้แหละเป็นข้อคิดมากนะเป็นข้อคิดมากฉะนั้นคนคนยิ่งรู้มากนะยิ่งรู้มากก็เร่งมากนั่นแล้วก็เป็นประโยชน์ นิ่ในในการที่ควรนิ่งนะพูดในการที่ควรพูดนะอย่างนี้ก็เกิดประโยชน์มากนะเกิดประโยชน์มากอ่ น, นี่ก็ฉะนั้นเราต้องต้องไม่ อ, อ้อวดนะก็คืออาสาธยะหรือว่าสานนะัจเณรก็คือไม่ อ, อ้วดการที่เราไม่อ้วก็คือเราต้องลดตัวเองนะลดตัวเองนะการที่เรายอมลดตัวเองก็คือไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นะจนก็ยอมรับ ตามฐานะของตัวเองสร้างความพอดีนะพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้นะไม่ทะนงไม่หลงตนไอการทะนงหลงตนสําคัญว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้แหละมันทําให้เรานั้นเกิดทุกข์เกิดโทษเป็นมลพินแก่จใจดังนั้นเราจะทําลายมลพิษก็คือเราจะต้องอละพยศลดมาณะของตัวเราอ่านอนอน้อมถ่อมตนของตัวเราทําอะไรให้เหมาะสมเดินทางสายกลางนะให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเราแนอ่นอนที่สุด อันนี้ก็จะถือว่าเป็นเครื่องทําลายล้างมนตินให้ความเศร้ามองแห่งใจให้หมดไปได้ก็จะมีแต่ความอาสดสุขมีแต่ความเจริญงาในข้อที่เจ็ดก็คือพูดปดการพูดปดนี้ก็ถือว่าเป็นมนตินแหงใจในคนพูดปดก็คือคนที่เอเท่ากับว่าอาเฉือนเอาเลือดตัวเองออกไปประจานาพูดปลดไปคำนึงก็เท่ากับว่าเลือดหยดหนึ่งเลือดหยดหนึ่งนะฉะนั้นเราจะต้องให้พูดปดการพูดปดนี้เป็นการพูดเพื่อ ให้เขาเชื่อตามที่ตนได้พูดเพื่อหวังประโยชน์ที่ตนได้วางาคําพูดหลอกลวงเอาไว้โดยอาจจะพูดทําเมล่ในต่างๆนะพูดให้เขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตนพูดนะถ้าคนนั้นเขาเชื่ อ, อแน่นอนที่สุดเราก็ได้ประโยชน์ตามที่เราได้พูดโกหกไปนั้นถ้าเขาไม่เชื่ อ, อแน่นอนที่สุดเขาจับได้เราก็เกิดความเสียหายนะเกิดความทุกอาจจะต้องติดคุกติดตารางก็ได้นะอันนี้ก็มีเยอะ อ, อยู่ทุกๆวัน ค น, นางามก็คือว่ามันไม่มีศรรีลไม่มีสัตว์คนไม่มีศรรีลไม่มีสัตว์ก็แน่นอนที่สุดก็คือถึงความวิบัติรูปเดียวนะถึงความวิบัติความเสื่อมความหายนะแต่ถ้าคนมีศรรีลคนมีสัตว์ก็จะมีสมบัติติดตัวนะฉะนั้นตัวสัจจะนี่แหละเป็นการจะลบล้างตัวมลทินก็คือตัว<ม>พูดปดตัวมุสานะตัวมุสาคือพูดคําเท็จนี่แหละพูดคําเท็จฉะนั้นเราต้องมีสัจจะคือความจริงใจต่อกัน นะความจริงใจต่อกันจริงใจต่อหน้าที่การงานจริงใจต่อวาจาพูดอะไรทําสัญญาอะไรก็พยายามรักษาประโยชน์ให้เกิดขึ้นตามที่ตนได้สัญญาไว้พูดไว้อันนี้มันก็เป็นประโยชน์พระพุทธองค์จึงบอกว่าคนจะมีชื่อเสียงง่ายก็เพราะการพูดคําสัตย์แนละวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่วาจาไม่จริงการพูดโกหกโลวงนั่นเป็นทางนํามาซึ่งความตายเป็นทางนามาซึ่งความทุกความเดือดร้อนนะในข้อที่แปดมีความปรารถนาลา ม, มุก ไอ้ความปรารถนารามกก็คือว่าปรารถนาในสิ่งที่อผิดจากทรรนองครองธรรมก็คือปรารถนาในสิ่งที่ทําตัวเองให้ให้เดือดร้อนนะทาตัวเองให้เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาคนที่ปรารถนารามกทําอะไรก็เป็นที่ชี ulu, น้นินทาของคนอื่นทั่วไปไอ้สิ่งที่มันลาม ก, กก็คือสิ่งที่มันเป็นอนาจารนะไม่ไม่ควรประพฤติไม่ควรกระทำํำนะไม่ควรกระทําอาจจะเป็นทาง น, นามาซึ่งเอความโลภความโกรธความลหลงก็ได้นะ ควาโลกความสกความหลงก็ได้คือบางครั้งก็มีโลกมากจนเกินไปนะแสดงปัญหาความอยากที่จนเกินไปอยากในทะยานอยากในการมทะยานอยากในอยากมีอยากเป็นจนแสดงอาการวิปริลผิดจากความเป็นสมณะผิดจากความเป็นมนุษย์ผิดจากความเป็นผู้หญิงผิดจากความเป็นผู้ชายนะอย่างนี้มันก็ไม่ดีนํามาซึ่งความเสื่อมเป็นมันเต็มเห็นจิตใจของเราฉะนั้นเราไม่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นมาในข้อที่9้าคือความเห็นผิด ในความเห็นผิดนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในทางพระพุทธศาสนาคนเราถ้าเห็นผิดแล้วทําก็ผิดคิดก็ผิดพูดก็ผิดในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิฉะนั้นเราต้องทําความเิ็ให้ถูกก็คือว่าเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเห็นอย่างนี้ได้ว่าเห็นถูกเอาลนะการบรรยายเรื่องมรรินเก้าวมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายทําในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรี ช่วยเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและท่านสาวทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้ก็จะได้พูดในหมวดที่สิบในหมวดที่สิบหมวดที่สิบก็ว่าได้เรื่องอริยลกรรมมาบทสิบอย่างอริยสัลกรรมมาบทสิบอย่างก็คือจัดเป็นกายกรรมสามเป็นกายกรรมสามจัดเป็นวจีกรรมสี่จัดเป็นมโนกรรมสามที่จัดเป็นกายกรรมสามก็คือหนึ่งปาน า, าทิบา นะคือทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคือฆ่าสัตว์สองอธินาทานก็คือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการของขโมยนะข้อที่สามกาเมสุมิชฉาจา ร, ระพุทธผิดในกรรมทั้งสามนี้จัดเต็มกายกรรมมาในข้อที่สีนะ่จัดเต็มวจีกรรมมุสาวาทคือพูดเท็จปิสุนาวาจาคือพูดสอเสีย พารุสวาจาคือพูดคำหยาบสัมผัลลาปะคือพูดเพอเจ้อนี่จัดเป็นวจีกรรมทีนี้มาในส่วนที่เป็นมนโนกรรมอีกสามอย่างก็คือข้อแปดอาพิชาโลภอยากได้ของเขาเก้าพยาบาทกองร้ายเขาสิบเห็นอมิจฉาทิฏฐิคือเห็นปิดจากคำนองคลองธรรมสิบอย่างนี้จัดว่าเป็นบาปนะเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมที่เราทุกคนไม่ควรดาเนินไม่ควรกระทำตาง ไม่ควรจะทําตามฉะนั้นนักเรยียนนักศึกษาเพิงทราบว่ากรรมสิทอย่างนี้มีชื่อว่าอากุ ศ, ศลกรรมบทเพราะเป็นทางแห่งทุกขติอกล่าวโดยในสังคีตีสูตรได้บอกว่าความว่าบุคคลใดกระทํากรรมสิทอย่างนี้อยากใดอย่างหนึ่งก็ตามโดยมากก็ตามทั้งหมดก็ตามคติของบุคคลนั้นย่อมเป็นคติชั่ว คือตลอดเวลาที่เขายังมีชีวิตเป็นอยู่จะประสบความทุกข์ยากต่างๆมีการถูกจองจําบ้าง เ, าเสื่อมลาภเสื่อมยศบ้างเสียชื่อเสียงบ้างครั้งสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะมีนรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคือมีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เตระาชาันเกิดเป็นเปร เ, เป็นอสุรกายนะดะนั้นเราไม่ควรประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องอาุญศุ ล, ลกรรมบทนนะคือทางที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติทีนี้ก็จะขยาย ออกไปนะจะขยายออกไปทีละข้อละข้อนะอในข้อแรกก็คือว่ามีความมุ่งหมายผิดแผกกันคือทุจริตสามมุ่งกล่าวความประพฤติของบุคคลคือบุคคลใดประพฤติความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบอย่างนั้นอมีความมุ่งหมายอย่างนี้ส่วนอกักษรศลกรรมบทก็แสดงความชั่วต่างๆที่มีอยู่สิบอย่างมีการฆ่าศัตท์เป็นต้นและกล่าวถึงความชั่วสิบอย่างนี้เป็นทางนําบุคคลผู้ประพฤติไปสู่ทุกขสิ อ่าไปสู่อบายภูมิไม่ใช่หมายกล่าวความประพฤติของบุคคลนะหมายกล่าวความชั่วที่บุคคลประพฤตินะฉะนั้นอากุศลกรรมบทนั้นก็มุ่งหมายนะอย่างนี้นะอย่างที่ได้กล่าวมานั้นถ้าผู้ใดอนะถ้าหากว่าจะพูดตามโลหาะก็เรียกว่าทุจริตนั่นเองนะว่าทุจริญสามนั้นมุ่งแสดงกิริยาคือการกระทำส่วนอากุศลกรรมบทมุ่งแสดงแสดงกรรม นะมุ่งแสดงกรรมคือสิ่งที่บุคคลกระทำนะดังนั้นทุจริตสามกับอคติศุลกรรมบวก็ต่างกันนะแต่ว่ามันใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันอนะทุจริตสามก็มีคล้ายทุจริตอ่าวาจีทุจริตมโนทุจริตนะแล้วในทางอาคตศลกรรมบวชศีก็แบ่งออกเป็นสามในทางกายอนะกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามก็ใกล้เคียงกันนะฉะนั้นก็ต่างกันก็คือว่า อจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเรียกว่าความอยากได้มีชื่อว่าความโลภนะเป็นความอยากง่ายสุ ข, ขุมที่ขังอยู่ในใจิตใจโดยสงบเนีย่ยถ้าไม่มีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมายุ่วยวนก็หาปรากฏขึ้นไม่แต่เมื่อมีอารมณ์มยุ่ยยวนก็ย่อมเกิดขึ้นในทันทีทันใดลูกประมาก็เหมือนไฟที่สมขอนคุกกลนอยู่ในใจถ้าไม่มีเชื้อมาถูกต้องก็ไม่ไหมนะก็จะอยู่อย่างนั้นะแต่ถ้ามีเชื้อมาถูกต้องก็ย่อมจะลุกขึ้นได้นี่เป็นลักษณะของความอยาก ได้ชื่อในอกุศลละมณ์สามที่ว่ามีชื่อว่าความโลภส่วนความอยากได้ที่มีชื่อว่าอภิชานั้นเป็นความอยากได้ที่ที่ทุกลุ้นอยู่ในใจนะให้ใจคืออยากได้อยากต้องการทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่เลือกสุกแต่ว่าปรารถนาสิ่งใดนะไม่มีการหยุดออยับพักจนในทุกสิ่งทุกอย่างนานๆนะอยากได้อยู่เรื่อยไม่หยุดพักว่าสิ่งที่ตนอยากได้นั้น จะชอบทํำหรือไม่ชอบทําจะเป็นสุดจดิตหรือสุดสริจนะคืออยากได้อยู่เลยนะใจที่กระสับกระสายดิ้นรนมุ่งแต่จะได้เป็นวุ่งหน้านี่แหละเป็นลักษณะของความอยากได้ในอกุศลกรรมบทสิบอย่างนะจึงได้มีชื่อว่าอาพิชานะอาพิชาคือโลกอยากได้ของเขาในอกุศลกรรมบทสิบนี้อนะกับโลกหรือโลภะตัวอยากได้ในอกุศุลกรรมมาบทสามนะต่างกันดังนี้นะต่างกันดังนี้ฉะนั้นอันนี้แหละก็เป็น ข้อหนึ่งที่เป็นข้อเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายได้เห็นชัดๆอยู่นะได้เห็นเด็ชัดทีนี้เมื่อพูดถึงอ า, อากุศุลกรรมบทสิบนี้นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายหรือว่าท่านสาวตุชนผู้สนใจได้ทำทั้งหลายสิ่งนี้เราก็ได้รู้ได้เรียนกันมามากนะพูดกันมามากนะเพราะว่าแต่ละข้อนั้นก็ย่อมจะไปอยู่ในธรรมในหมวดต่างๆก็มีเยอะอย่างข้อแรกที่บอกว่าปาณาธิบาศ ท, ทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปนะตกล่วงไป อันนี้ได้เคยบอกไปแล้วว่าอคนเรานั้นรักชีวิตมากหวงเห็นชีวิตมากอชีวิตนั้นถึงว่าถือว่าเป็นสิ่งที่คนเราห่วงแหนที่สุดนะศัพท์มันก็หวงแหนชีวิตที่สุดนะฉะนั้นถ้าใครมาคิดทําลายชีวิตหรือว่าคิดล้ำผาชีวิตตัวเองมันก็จะต้องปกป้องนะต้องหาที่หลบหาที่ซ่องนะแต่ถ้าสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็หาที่หลบซ่อน บางครั้งก็สู้ไม่ได้โดยวิธีการต่างๆแต่ก็สู้แบบจนกรอกนะไอ้การที่สู้แบบจนกรอกนี่ก็โดยมากจะได้ผลนะก็จะทําให้ผู้ที่คิดทําลายล้างชีวิตนั้นอาจจะต้องได้รับบาเดเจ็บได้รับทุกรับโทษหรืออาจจะได้ทุกพลภาพหรืออาจจะตายก็ได้อันไม่มีเหตุให้เรารู้เราทราบหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่าขอประทาทนโทษสู้แบบสุนัขจนกรอกนะสุนัขจนกรอกก็คือบางคนเนี่ย เอมีการขับไล่สุนัขไปให้ปิดใจนจมจอกของรถทางนี้ทีนี้มันไปไม่ได้แล้วแน่นอนที่สุดมันก็ต้องซู้แล้วนะการสู้ก็คือว่ากระโดดใส่คนที่เข้าไปจะตีหรือไปทํา้ายมันนะเรียกว่ากัดอะไรไม่เลิกหน้าที่มันขวางหน้านะผลที่สุดก็คือเรานั้นก็ต้องได้รับทุกข์รับโทษรับเป็นรับภยัยรับเคราะกรรมไอตัวที่ไปคิดจะเอะทําชีวิตเขาให้ตกโล่งไปหรือพวกทานป่าต่างๆบางทีก็ ไปยิงหมูป่าปรากฏว่าหมูป่านี่ถ้าเจ็บแล้วก็เขถือว่าดุยิ่งกว่าเสืออีกนะดุยิ่งกว่าเสือบางครั้งก็เล่นเอาในพรานนั้นเสียชีวิตไปก็มีและต้องอวิกลมีการทบทวลภาพไปก็ไม่ใช่น้อยเพราะหมูป่านะหมูป่านี่น่ากลัวมากนะถ้าเจ็บแล้วก็น่ากลัวมากะฉะนั้นจช่บอกนี่แหละการทําปานาฏิบัติทาชีวิตของเขาให้ตกล่วงไปนั้นคือการฆ่าสัตว์นี้ถือว่าเป็นการเบียด เป็นการทําลายล้างสาลความสัก ข, ของสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพวกมนุษย์และพวกสัตว์เดรย้ยงฉันและความหมายของคำว่าปาณาธิบาตนี้ยังกินความไปถึงว่าการทรมานนะการทรมานการกักขังด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ก็ถือว่าอนุโลมอยู่ในการฆ่าสัตว์เหมือนกันนะการฆ่าสัตว์เหมือนกันเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีการฆ่ากัน นะไม่มีการฆ่ากันไม่มีการเอารัดเอาเรียดทรมานกันกลับขังกันเราก็จะมีแต่ความสุขนะมีแต่ความสุขโลกนี้ที่เดือดร้อนก็เพราะมีการฆ่ากันขอให้ท่านลองคิดปูสิว่าที่เราฆ่ากันเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะอะไรบางครั้งก็โกเ ห, หนะเหตุนิดนิดหน่อยหน่ะเหตุนิดิดหน่อย่อยผิดใจกันนิดหน่อยก็ฆ่ากันนะนี่แหละแสดงว่าในจิตใจของคนเรานั้นมันเอามาหิดมากนะเยี่ยมเกลียน ม, มากนะเยี่ยมเกลียนมาก แล้วเราก็ลองนึกถึงเลยว่าเราเกิดมาในเกิดมาเพื่อฆ่ากันหรือเปล่านะเปลาเราไม่ได้ฆ่ากันฉะนั้นนี่แหละการฆ่ากันนี่มันผิดปกติของความเป็นมนุษย์นะคาว่ามนุษย์ติดแล้วผู้มีใจสูงไอ้คนที่ฆ่านั้นจิตใจมันต่ําใจมันเรววซ้ำนะใจมันเร็วซามอนะ่าเดี๋ยวคนรองจะฆ่ามนุษย์ได้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะเพราะสิ่งที่มีค่ามีคนมีประโยชน์นั้นคือมนุษย์คนเรานะ มนุษย์คนเราฉะนั้นคนถ้าฆ่ามนุษย์ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นก็ฆ่าได้หมดฆนะ่าได้หมดบางคนยังฆ่าแม้กระทั่งพ่อกระทั่งแม่พูมีประคุณอันนี้แหละมันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษเป็นอันหน่ประการฉนะนั้นจะบอกว่าคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้มักจะอายุสั้นนะอายุสั้นแต่คนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นมักจะมีอายุยืนนะขอให้ท่านลองพิจารณาดูเหตุการณ์หลายๆอย่างนะแล้วก็คนที่ทรมานสัตว์กัดขังสัตว์ ทำให้สัตว์นั้นต้องทุกข์คนลาภาพห ร, หรือร่างกายวิกลมีการสูญเสียสารภาพพวกนี้ก็มักจะมีโรคมากไอคนที่ลุกก่อโอยนั่งก่อโอยอปวดโน่นปวดนี่ปวดแข้งปวดขาปวดแขนปวดหลังปวดไหล่นี่เนี่พวกที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์กัดขังสัตว์ฉะนั้นคนที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ไม่กัดขังสัตว์ไม่ทำสัตว์ให้ทุกข์คนลาภาพพวกนั้นก็จะมีโรคน้อยและคนที่ชอบฆ่าสัตว์ก็เท่ากับการพรากนะเป็นการพรากความสุข ภาพ่อภาคแม่ภาเมียภาคผัวภาคลูกจากพ่ อ, ม อ, พ อ, พ อ, พอแม่ตัวเองก็จะได้รับการพัดภาอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้เคยมีเหตุการณ์ในทางพระพุทธศาสนาของเรามีเยอะเหตุการณ์ในปัจจุบันในเมืองไทยของเรามีเยอะมีในห้างคนหนึ่งจะมีอาชีพในการส่งพวกน ก, นกพวกสัตว์ออกต่างประเทศรับซื้อนกป่าต่างๆสัตว์ป่าต่างๆเป็นพวกสัดมีปีกไม่มีปีกแบบสองเท้าสี่เท้า เนี่ยไอการที่คนจะได้มาก็อาจจะต้องไปเอาลูกมาบ้างนะเอาพ่อมาบ้างเอาแม่มาบ้างเนี่ยทําให้พ่อภาพแม่แม่ภาพพ่อเพราะากเงียบเงียบากหัวหนุกจากพ่อแม่พ่อแม่จากลูกมากกว่าตัวเองเลยต้องถูกเขาอ่ารักลูกนะเรียกว่ารักลูกไปเรียกค่าถ่ายนะตัวเองก็ยอมให้นจะเรียกเท่าไรไม่ว่าขอใได้ลูกคืนเพราลูกคนเดียวด้วยเนี่ยเสียอกเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่มนอนกัน การที่เราไปพากพ่อพากแม่พากนกพากสัสตว์ต่างๆนี้มันก็เหมือนกันเขาก็เดือดร้อนเขาก็ทุกข์เหมือนกันนะนะฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอันนี้มันจะเห็นชัดแล้วเกินนะฉะนั้นนี่แหละก็ถือว่าเป็นปานาติบาต์นะเป็นปานาติบาตอืนะมนี่เป็นอกุศลกรรมบทญนะไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมานในข้อที่สองก็อาทินนาทานเธอเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการลักขโมย ก็คือว่าตัดช่องย่องเบานี่ตัดช่องย่องเบานะทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละบางครั้งก็ขูตะคอรอกนะขูตะคอรอกเอาซึ่งหน้านกันช่อตูช่อโกงต่างๆเพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกอธินนาทานนะคนประเภทนี้ก็คือคนที่ชอบอก้าวไายสิทธิของเขานะไอสิ่งของที่เขามีนั้นเป็นสิ่งของที่เขาได้มาโดยชอบทำเขาทํามาด้วย ความหนักลําบากทํามาด้วยสุดจริตเขาหากินมาด้วยทางสำอาวาชีพแต่ว่าเราไปหากินด้วยทางวิ ช, ชาชีพแน่นอนที่สุดเขาก็เกิดความทุกเกิดความเดือดร้อนนะเขาเคยมีวัวควายช้างมาในการประกอบกิจการงานเราไปรับเขาเขาก็เดือดร้อนไม่มีสิ่งนั้นจะไปทํากิจการงานนะทำให้เขาต้องทุกข์เดือดร้อนไปทั้งครอบครัวเขาเคยมีเสื้อผ้าอาภรณ์อยู่เราไปรับของเขาเขาเดือดร้อนนะ เขามีทรัพย์สินเงินทองที่เขาสะสมเอาไว้เราไปรับของเขาหรือไปตูช่อโกงเขาอโดยประการต่างๆหรือัดช่องอย่างเบาแน่นอนที่สุดขขาก็เดือดร้อนเขาก็ทุกเขาก็เกิดความเสียใจของเราเราก็เสียใจใครมารับของเราเราก็เสียใจนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละจะต้องพลัดพร้านะต่อไปก็จะต้องถูกเขาอ่าฉกชิงแย่งชิงเอาทรัพย์สมบัติแจกชิงโลกชิงเงาเหมนกันนะเพราะเหตุที่ว่า ไปตัดช่องย่องเบาหรือไปรับขโมยของเขานะอันนี้ก็ไม่ดีไม่ควรประพฤตินะให้ควรประพฤติการที่สามการเมสุมิฉาจานคือการประพฤติผิดในกามทั้งหลายการเมสุมิฉาจานอันนี้ข้อนี้ก็ถ้าตามหลักแล้วก็คือการเมสุมิจฉาจานคือการประพฤติผิดการเมสุในการมทั้งหลายกามทั้งหลายก็หมายถึงว่าตั้งแต่โรคเสียงเป็นรถนะโรคเสียงเิ็นรถนะ อโรคเสียงเปรีนนด๊ดการสัมผัสทุกเสียงทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นการทั้งหลายนะการทั้งหลายฉะนั้นอันนี้มันไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะไม่ควรคนเราบางครั้งก็แน่นอนที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างทุกประเทศทุกชาตินั้นจะต้องมีขนบธรรมเนียมมีประเพณีนะมีประเพณีการที่เราจะไป อ, อขอโลกขอภรายาเขานั้นมันจะต้องเป็นไปตามทรรนองคลองธรรมถ้าหากว่าเราไป เราพูดผิดอโดยที่ว่าเอเขายังไม่อนุญาตเป็นลูกที่ยังมีพ่อแม่พวงแขนอยู่หรือเป็นบุตรบุญธรรมอะไรก็แล้วแต่เป็นหญิงที่ต้องห้ามแมน่นอนที่สุดถ้าเราไปผิดเข้าล่วงเกินเข้าแม้ว่าผู้นั้นจะเกิดความพอใจกับเราก็แล้วแต่ก็ยังถือว่าผิดการเมสุวิชิตมิชฌาจารอยู่นั่นเองนะแต่ที่อีกอย่างนึงที่เรามองไม่เห็นก็คือว่าการที่เราหลงไหลในรูปหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นหลงไหลในรส ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเปลีนรสอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดกาเมสุวิชาจานเหมือนกันนะผิดเหมือนกันทําให้เราเศร้าหมองทําให้เรามีทุกข์มีโทษอีกเหมือนกันนะเราไปติดรูปอย่างนั้นเราอาจจะเป็นลักมะก็ได้เราไปติดเสียงอาจจะเป็นลักเสียงมาก็ได้หรือไม่ลักเสียงก็อาจจะแก่งแย่งเสียงกันมีการทําลาะวิวาทกันมีการฆ่ากันตายเพราะการแย่งโรคแย่งเสียงแย่งเกณฑ์กรณีเยอะนะตามตาตามทัฒนาการตามครับ บางโรงภาพยนต์เนี่ยมีการแย่งงูกเสียงเป็นรบกันมากนะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลานะนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าก็เพราะเราติดกรรทั้งหลายนี่เองในสามอย่างนี้เป็นกายกรรมนะเป็นกายกรรมมาในอีกสาอีกสี่ข้ อ, อที่จะเป็นวจีกรรมวจีกรรมนัน่นอีกสี่คือทำด้วยวาจาหรือสเมเหตุด้วยวาจาก็เห็นว่าพูดเท็จนะพูดเท็จก็คือพูดโกหกนั่นเองนะพูดโกหก เรื่องกาพูดเท็จในคนพูดโกหกมันก็บอกแล้วว่ามันไม่มีความจริงนะไม่มีความจริงพูดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงต้องการให้เขาเชื่อนะต้องการให้เขาเชื่อบางครั้งก็ต้องอ้างเลตในต่างๆเอกมาเพื่อมากรดเกลือนนะเพื่อให้เขาเชื่อถ้าว่าเขาเชื่อก็นั่นคือเปนสิ่งที่ตนได้แต่ถ้าเขาไม่เชื่อตนเองก็ยิ่งเสียใหญ่เลยนะเรียกว่าเสียทั้งขึ้นทั้งล่องนะต้องตนเองได้ก็เสีย เพราะหลอกลวงเขามานะถ้าเขาไม่เชื่อเขาจับได้ก็เพราะว่าตัวเองพูดเทก็เสียอีกนั่นแหละฉะนั้นคนที่พูดเท็จก็คือว่าพวกไม่มีความจริงพูดเหลวไหลไรสาระไม่มีประโยชน์นะพวกนี้ก็คือว่าเป็นการทําลายคุณงามความดีที่มีอยู่ในตนฉะนั้นเจริงๆที่ไม่ควรประพฤติไม่ควรกระทำนะต้องเป็นคนมีความจริงใจนะมีความจริงใจนะพวกความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ใช่คนพูดจริงอาจจะตายก็ได้นะแต่ว่าความจริงนั้นเรย่อมเป็นอวตรก็คือเป็นความจริงอยู่เสมอมาในข้อที่สองก็คือปิสุนาวาจาพูดสอนเศษพูดสอนเยดก็คือว่าพูดเสียดสีเสียแทงให้เขานั้นต้องเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนนะนคนที่พูดเสียดสีเนี่ยให้เขาต้องเกิดความทุกข์กเกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาพูดทิ่มแทงหัวใจเขาตลอดเวลาทําให้เขานั้นเจ้าวนกาวายนะ ทำให้เขาต้องกระงวนกังวลหรือก็เป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะวิวาสนะเป็นเหตุให้เขาต้องตีกันอ่าเป็นเหตุให้เขาต้องฆ่ากันอะไรทํานองนี้อันนี้ก็มีมากเพอาการพูดส่อเสียดนี้เองอพูดกันไปส่อเสียดกันไปส่อเสียดกันมาเดี๋ยวก็อชกต่อยกันทุบตีกันก็ต้องบาดเจ็บกันไปหรือแม่งก็ไดืเจ็บโดยคำทั้งคู่อันนี้ก็ผลที่สุดก็คือติดคุกติดตารางหรือว่าตัวตายไปอันนี้ก็มีไม่ใช่น้อยดังนั้นเราต้องเว้นจากคำพูดสอ่อเสียดนะะต้องพูด ความเป็นจริงต่อกันนะพูดความจริงต่อกันก็พูดโดยความปรารถนาดีต่อกันนะแ้วการต่อมาก็คือว่าพูดคําหยาบ<ม>นะไอ้คนคําว่าพูดคําหยาบนี้ทุกคนไม่ปรารถนานะทุกคนไม่ปรารถนาแต่ว่าพูดถความหยาบนี้มันก็มีข้อที่น่าคิดอยู่หน่อยท่านผู้ฟังทั้งหลายในในแต่ละที่ละที่นั้นคำพูดก็อาจจะแตกต่างกันไปในสังคมในชนมดที่มัจเริไอ้<ม>คาพูดว่า กูกมึงมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาอ่าจะพวกก็ขอประทานททษอุจฉะกว่าจจะพูดคําว่าเป็นที้ไปนะปัสสาวะกว่าจะพูดคำว่าเป็นเยี่ยวไปอ่าผูดกินอ่าไม่พูดรับประทานอ่าอันนี้คืออันนี้มันเป็นสังคมของมันนอกอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นบางทีเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคําหยาบในที่นี้ก็คําว่าพวกกูกูมึงมอีไอ เลือกพูดคำที่ไม่สุภาพและถือว่าเป็นคําหยาบถือว่าเป็นคําหยาบฉะนั้นถือว่าคนที่มีการศึกษานั้นเขาจะต้องไม่พูดคำหยาบคําอย่างนี้หรือผู้ดีจะต้องไม่พูดคำหยาบจะต้องไม่พูดคําหยาบคําหยาบนะใครฟังแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันสแสลงใจมันสแสลงหูท่านเปรียบว่าคําหยาบเหมือนกับก้านบวัวไอ้ก้านบวัวเหลืองที่มันมีหนามมันมีหนามนา ม, นามันย้อนหูไปมันคลายนมันคลายเครื่องมากไม่น่าฟังไม่น่าฟัง บางครั้งเราไปไหนได้ยินเสียงเขาด่ากันสารพัดแต่แม่รู้สึกว่ามันฟังแล้วก็มันระคายเคืองหูแล้วเกินนะมันระคายเคืองหูฉะนั้นให้เราทุกคนนั้นต้องพูดดีต่อกันจึง<ม>บอกว่าถึงขาพูดพูดดีมีศีสัจมีคนนับทดถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วทัวตายทํำน า, ายมิ จ, จะชอบผิดในมนุษย์จะพูดจาเป็นมนุษย์สุตติยมีที่ลมปากจะได้อยากโหยหิวก็ชิวหาแม้นพูดดีมีคนก็เมตตาจะพูดจาจงีิเข้าะหไอ้เหมาะความนี่อแม้นพูดดี ก็เป็นสีแก่ตัวถ้าพูดชั่วก็พาตัวอัปราชัยนะฉะนั้นให้เราพูดเอคําสุภาพคําอ่อนหวานพูดคุณพูดเธอพูดฉันพูดแกพูดน้องพูดพี่เอแบบนี้ฟังแล้วมันก็เพราะนะเพราะนอหรือพูดจอกจ้องกันก็แม่นั่นแม่นี่อะไรอย่างนั้นก็ยินดีนะอันนี้ดีมากฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงพูดจาจงพีเคราะห์ให้เหมาะความให้เหมาะกับการละเทสะ จะเกิดประโยชน์นะบางครั้งเราพูดอย่างนี้ดีแล้วแต่ว่าพูดอีที่หนึ่งอาจจะไม่ดีก็ได้อ่าไอ้ที่ไม่ดีที่หนึ่งนั้นอาจจะพูดอีที่หนงดีก็ได้แตะทั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องพิเคราะห์พินิษพิจารณาให้ถูกพูดให้ถูกการละพูดให้ถูกเทศะพูดให้ถูกบุคคลก็จะเป็นประโยช น, น์มิใช่น้อยในข้อที่สี่เกี่ยวกับร่องวัตถิ ร, รัมนะสังปัปปะลาปะอ่าที่ว่าสังปปะลาภก็คือการพูดเทอรเจอร์ การพูดพอเจ้าก็คือพวกไม่ได้ร่องได้ร้อยไม่ได้เรื่องนะพวกเป็นนกแก้วนกขุมทองอ่าพูดมากเกินไปนะไอ้พูดมากให้บางคนพูดมากแล้วพูดดีนะพูดหน้าฟังนะฟังทั้งวันไม่เบื่อบางคนพูดได้กันสี่สามหาวันเนี่ยพูดไม่เบื่อแต่ไอ้คนที่พูดพอเจ้านี่บางทีพูดแล้วมันไม่ได้เรื่องได้ราวนะพูดน้อยก็ไม่ได้เรื่องพูดมากก็ไม่ได้เรื่องมันพอเจ้านะเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ไม่มีร่องไม่มีร้อยไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ น ะ, ะพวกเป็นคนโะเมพอกไปนั่นน ะ, ะพวกเป็นคนเรียวกว่าขอประทาโทษให้เต็นสติให้เต็นเตนะ็งพวกนี้เรียกว่าพูดเพ้อเจ้อฉะนั้นเราก็ต้องไม่พูดหล่อแหลมไม่พูดเหลวไหละนะพูดอะไรก็ต้องให้มีประโยชน์อทุกประทงทุกถ้อยความพูดไปคนฟังนั้นอฟังแล้วดูเรื่องเข้าใจนะอย่างนี้ก็ใช้ได้มาที่เป็นมนโนกรรมก็มีอีกสามอย่างนะมโนกรรมสามอย่างก็คือ หนึ่งอาพิชชาโลภอยากได้ของเขานะข้อนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วนะไอ้ตัวอาพิชชาโลภอยากได้ของเขาเนี่ยร right. ู้ <|hi|> สึกว่ามันไปเพ่งเล็งนะอยากได้อยู่ตลอดเวลานะอยากได้มากผิดปกตินะผิดปกติอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อยู่เรื่อยนะนอนก็อยากได้นั่งก็อยากได้ยืนก็อยากได้นะเดินก็อยากได้นะอยากได้ในสิ่งที่ไม่ได้ไม่ไม่ชอบทำนะในสิ่งที่ไม่ชอบทำ ยากอย่างนี้เราถือว่าเป็นทุกข์เป็นโทษนะเป็นทางเดือดร้อนฉะนั้นเราจะต้องมีความสันโดษมีความพสดใจต้องเป็นคนเสียสลักนะอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวมากนะให้ความโลกนี่มันเบียดเบียนใจเรามันเผาใจเราทําให้ใจของเราเป็นทุกข์ทำให้ใจของเราดิ้งริงปัดแก่งอยู่ตลอดเวลานะใจไม่ราบไม่เรียบก็เหมือนทะเลที่มันเป็นคลื่นนะมันไม่ราบไม่เรียบนะแต่ทะเลเป็นคลืมันดูแล้วมันสวยงามถ้าใจคนเราเป็นคลืแล้วมันไม่สวยงาม เขาจึงบอกว่าทะเลงามยามเห็นต้องเป็นคลื่นชีวิตจะราบรื่นกว่าตรงนี้อุปสรรคนะทุกชีวิตนั้นต้องมีอุปสรรคนะคนที่ไม่มีอุปสรรคนั่นคือคนไม่ได้ทํางานคือคนน้องอยู่เฉยๆไม่มีสาระไม่มีประโยชน์นะฉะนั้นอันนี้แหละเราจึงต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทุกชีวิตนั้นจะต้องมีอุปสรรคแต่ว่าอภิชาที่คือความโลภอยากได้ของเขานี้มันเป็น โลที่เกิดลุ่มลมดำดอนอยู่ในจิตใจทำจิตใจของเรานั้นให้กระวนกระวายทําให้ริ่นรนมีความปรารถนาไม่ดีอยู่ตลอดเวลานะฉะนั้นเราก็ควรจะงดเว้นในสิ่งนี้รูนะ้าจักหักห้ามใจอย่าให้มันลหลงไหลไปฝันตามอารมณ์ที่เรามากระทบตาหูจมกูกเส้นกายใจของเรานะรู้จักมีสติปิดกั้นไว้บ้างก็จะทําให้มีความสุขกายสบายใจมาในข้อ ที่สองแล้วก็เป็นข้อที่เก้าของในกุศลกา ร, รบังบอกอกุศลแะกา ร, ร บ, บับทธิก็คือพยาบาทปองร้ายผู้อื่นนะไอ้างพยาบาทนี่มันคือว่าทำให้เสื่อมนะโดคนที่มีความพยาบาทนี่มันเสื่อมไอ้ความเสื่อมนี่มันก็เกิดจากคนที่พยาบาทก่อนนะเพราะธรรมดาคนเงานั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อจะคิดอาฆาตนากร้ายกันเพื่อจะคิดอาพยาบาทปองร้ายกันนะเพราะฉะนั้นความพยาบาทนี่มันก็เป็นไฟ ไฟมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ไหม้ที่นั้นร้อนที่นั้นใครไปยืนใกล้มันก็ร้อนนะฉะนั้นตัวโพยาบาทนี้ถ้ามันเกิดในใจคนไหนมันก็ทำกุ้มนั้นให้ย่อยยับไปนะนะเท่ากับว่าตัวเองนี้เสื่อมเสื่อมจากคุณงามความดีนะเสื่อมจากคุณงามความดีที่มีอยู่ในจิตในใจโคตรพลอยหมดไปคิดแต่จะล้างผลาญคิดแต่จะทําร้ายเขามาถ้าตัวเองได้ทําร้ายเขาได้แม้ก็รู้สึกสบายใจนะจะรู้สึกสบายใจ ถ้ามำได้ตาเขาไม่สบายใจไม่ได้ข่าเขาไม่ได้สบายใจฉะนัะ้นตัวพยาบาทนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําลายความสุขของตัวเองและทําลายความสุขของผู้อื่นอีกด้วยฉะนั้นเราไม่ควรที่จะคิดอาฆาตมากร้ายคิดพยาบาทอาฆาตผู้อื่นเราควรจะมีเมตตาปรารถนาดีต่อเขาเราก็จะมีความสุขกายสบายใจมาในข้อที่สิบเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดจากทํานองคลองธทำ การเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมก็คือว่าเห็นว่าทําดีเราไม่ได้ดีเห็นว่าทําชั่วได้ชั่วอการเห็นอย่างเห็นอย่างนี้เราเรียกว่าเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมคนที่เห็นผิดจากทํานองคลองธรรมแน่นอนที่สุดอ่ามีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์เรเห็นผิดเราคิดมันก็ผิดะคิดก็ผิดทําอะไรก็ผิดเออกวก็ผิดทําก็ผิดคิดก็ผิดนะคําว่าครองธรรมนั้นได้แก่ทางที่ทางที่ควรทางที่ชอบนะ ทางที่ถูกอันมีชนได้ อ, อรับรู้แล้วก็ยอมรับนะเออโดยเฉพาะก็คือว่าพระธรรมนิยนต์นี่ถือว่าเป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จตะสถมาเสด็จเจ้าเรียกว่าเป็นคลองธรรมนะเป็นคลองธรรมยกตัวอย่างก็คือว่าเช่นว่าสมเด็จพระอรมศาสน า, า, าทรงสั่งสอนว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็ยังเกิดอีก แต่เปลี่ยนแปลงไม่ยืนที่มนุษย์อาจไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เดรัจฉานอาจจะมเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้คนชั้นสูงก็อาจจะมาเกิดเป็นคนชั้นต่ำก็ได้ะคนชั้นต่ำก็อาจจะมาเกิดเป็นคนชั้นสูงก็ได้เวียนว่ายไเกิดเช่นจจ น, นี้าจะดำเนินลดทางถึงที่สุดได้ก็คงจะไม่มีเกิดใหม่มีตายใหม่อีกไม่มีเกิดไม่มีตายใหม่อีกนะอันนั้นเราเรียกว่านิพพานคือหมายถึงว่าหมดกิเลสตัณหาเห็นอย่างนี้นะเรียกว่า เห็นถูกตามทํานองครองธรรมนะเห็นถูกตามทํานองครองธรรมนะส่วนที่เห็นผิดจากทํานองครองธรรมก็คือว่าเห็นในทางที่ไม่ควรในทางที่ไม่ชอบและในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นทางวิญญาณชนหาได้รับรองไม่นะคือกล่าวคือว่าเห็นแผลจากคําสั่งสอนเห็นผิดจากคําสั่งสอนขององค์สมเด็จตั้งสมมาตุพุท้าคือไม่เห็นตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนยกตัวอย่างก็คือว่าจิตมันหลายตายแล้วโูนบ้าง นะบางอย่างตายแล้วก็อจัดระดูนคือไม่เกิดอีกอไม่เกิดอีกต่อไปหรือว่าตายแล้วต้องเป็นคนตายแล้วก็เกิดเป็นคนอีกเป็นศาสตายแล้วก็เกิดเป็นสศาสอีกนี่ได้ยักย้ายไปผันไปอย่างอื่นในฉากินี้เกิเป็นมนุษย์อก็ตกเป็นมนุษย์เป็นคนชั้นสูงก็เป็นคนชั้นสูงเป็นคนชั้นต่ำก็เป็นคนชั้นต่ำอยู่อย่างนั้น อันนี้เราเป็นการเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมนะเรียกว่าเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมเพะฉะนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์อันนี้จะเป็นพวกมิจฉาทิฐิหร<ด>ือ<ด>ยังยั ง, ยงพวกที่บอกว่าการการทําดีนั้นจะต้องมีคนเห็นต้องมีคนชมต้องมีคนยกย่องจึงไม่ชื่อว่าเป็นการทําดีแต่ถ้าการทำดีไม่มีคนเห็นไม่มีคนยกย่องไม่ชื่อว่าเป็นการกระทําความดีอันนี้ก็ถือว่าเห็นผิด จากทํานองคลองทำหรือว่าการทําชั่วนั้นจะต้องมีคนติชิงนินทาต้องมีโทษจองจําถ้ า, าว่าทําชั่วแล้วไม่มีคนติชิงนินทาไม่ถูกจองจําก็ไม่เชื่อว่าเป็นการกระทําความชั่วนี่ถือว่าเป็นการเห็นผิดจากทํานองคลองทำอันนี้เขาเรียกว่าอัครียทิฏฐินะความเห็นว่าไม่เป็นอันทำใช้ไม่ได้ในทางรพระพุทธศาสนาจะทําดีทําชั่วมีคนเห็นก็ตามไม่มีคนเห็นก็ตามมีคนชมก็ตามไม่มีคนชมก็ตามม<ห>ีคนติก็ตามไม่มีคนติก็ตาม เ, เป็นชั่วทางนั้นนะนะเป็นความชั่วทางนั้นอและอีกอย่างหน call, <amigo. S 1> <teor> ึ่งก็คือว่าการเห็นผิดจากทางนองทางธรรมก็คือเห็นว่าคนเราถึงควาวดีๆเองถึงเขาเคาเคาะเองนะถึงเขาเคาเคาเองไม่ต้องทำไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นถึงเขาดีมันก็มาเองถึงเขาาชั่วมันก็ชั่วเองนะคือเป็นถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีเหตุอันนี้มันก็ผิดหลักในทางพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนาถือว่าคนจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่เหตุ นะเหตุตัวปภเหตุามาเหตุตัว ป, ปวาเตสังหิตจตถาคตโตเตสังจะกยนโรโถจะเอวังวาทิมหาสมโนว่าธรรมเหล่าใดเกิดจากเหตุตถาคตตัดเหตุและความดับแห่งเหตุแห่งครรเหล่านั้นพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี้เฉะนั้นทุกสิ่ทุกอย่างมีเหตุนะคนเราจะทำดีนั้นต้องมีเหตุจะทำชั่วนั้นต้องมีเหตุนะที่เราได้ชั่วนั้นก็เพราะว่าเราหลงไหลเรื่องอาบายันุขเป็นนักเลงหญิน น, นักเลงการตัณหานักเลงตุลานักเลงอ่าเป็นนักเลง เดมของมัวเมาทุกสิ่งทุกอย่างรู้เป็นคนนอนจนตายเป็นคนเก็บทารนี่ก็เป็นเหตุแห่งความชั่วเหตุแห่งความดีก็เป็นการให้ทางนักศึกษาศิษยเจริยนภาวนาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอย่างนี้ถือว่าเห็นถูกจากทานองทองทำเอาละอท่านาาา น, านากักเนนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่วมอาวุชนละกรรมบทชเกี่ยวกการมาก็ประสบสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขความสวัสดีขอเจริญพร